เรืองราวที่อยู่เบื้องหลังคือความภาคภูใจเบื้องหน้ายัางมีดวงดาวคุณเคาอรูกต่อไปบนวิธีทางเดินดาบไลของทัญบุรีวิทยุราชมงคลธัญบุรีเอเอ็ม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 อาทิตยาปักกระทานังทาง FM 8 9 5เมกะเฮิร์ต สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการกรอบข่าวเช้าวันศุกร์นะฮะเจอกันกับผมปิยพงษ์เคนทาวายมาพบด้วยคุณอาทิตยาปะกกทานังในช่วงวันนี้เจอกันในวันศุกร์ที่1พฤศจิกายน2องพสวัสดีครับคุณอาทิตยาครับสวัสดีค่ะคุณปิยพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ เรานะเปียร์พงศ์เราก็ติดตามพยากรณ์อากาศในทุกๆวันดิฉันเชื่อว่าอย่างนั้นไม่แต่ว่าในช่วงถ้าบรรยากาศในวันนี้จริงๆนะฮะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยผมอยู่ที่ทางสมุยอ่าอยู่ทางสุราษฎร์ก็จะมีติดตามนะเขาบอกว่าภาคกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเตือนเรื่องเรื่องของคลื่นลมคลื่นลมแรงนะฮะก็ถือว่าเป็น เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตามองเพราะผมลงใต้เออใช่ปกติจะผ่านนะปกติเราจะผ่านอย่างเดียวผมว่าเคยลงไปถึงนาราทิวาสอะไรเนี่ยแหละแต่ฉันไม่ค่อยลงใต้เลยผิวพงเคยลงไปก็ตอนตอนที่เรื่องของการเดินทางไปไปกับรถที่บ้านนะฮะรถประจําทางเนี่ยรถรับรับจ้างรับเหมาเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีการสับเปลี่ยนกําลังพลในช่วงนานนานหลายปีละในช่วงนั้นก็เราก็ลงไปดูบรรยากาศ นั่งจากอุบลราชธานี ไ, <ห>ไปที่นะนู่นไกลกลับเนี่ยใช้เวลา3วัน3วัน3วันไปอันนี้เฉพาะเดินทางใช่ไหมเฉพาะเดินทางคือไปถึงเนี่ยแล้วไปไปใช้เวลาจอดไม่ถึง20ไม่ถึง10นาทีนะ1ิบถึาทีมุดก็ต้องออกจากพื้นที่คือในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเรา<ห>จะทราบความเคลื่อนไหวความรุนแรงทางทางภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็ในช่วงนั้นก็คือหลายปีประมาณเกือบ10กว่าปีได้ละ นานๆอนาจุ่งนานๆการเข้าพื้นที่เองเนี่ยก็ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยคุ้มกันนะฮะประกบหัวประกบท้ายแล้วก็ก็ต้องแจ้งเวลาในการเข้าแล้วก็ต้องเข้าตามเวลาเพราะเขาจะมีการเคลียร์พื้นที่เคลเวลาอะไรให้ก็แต่จริงๆจากที่เลยสัมผัสเนี่ยเป็นเมืองที่สวยภาคใต้ถนนหนทางดีสวยใช่ถนนดีมากผมแบบ นี่ถนนเขาจะไม่ดีได้ยังไงยามภาราเขาเยอะมากนะคือคือต้องบอกว่าถนนเป็นถนนที่แบ่งเป็นสองเละฝั่งอ่ะคือเขาไม่ได้ใช้แบบเป็นทางอ่าผมไม่รู้แน่ใจว่าทางเหนืออะไรนะทาเหนือถ้าเป็นสายทางเหนือเนี่ยก็จะเป็นสายเอเชียเนี่ยก็จะเป็นสองฝั่งก็จะมีเกาะต้นแม้ตรงกลางวิ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึ่งแต่ทางใต้เนี่ยเขาจะแบบแบ่งกันชัดขยายมีมีเกาะตรงกลางที่ใหญ่แล้วก็จะมีถนนที่วิ่งซึ่งเขาก็บอกว่าตรงเส้นที่วิ่งเนี่ยเป็นสายใหม่ของเขา แต่ก็จะมีสายเก่าที่เป็นตั๊กกวัวป่าพังงาอะไรเงี้ยเขาจะเป็นฝั่งโน้นอีกทีหนึงแต่วิ่งเงี้ยก็จะวิ่งง่ายและบรรยากาศก็ก็ดูสวยงามคใครมีโอกาสก็น่าจะเดินทางน่าเชิญชวนเดินทางาไปเที่ยวแต่ว่า ต, ตอนนี้ก็ไปเที่ยวได้นะแล้วก็รู้สึกว่ามีเครื่องสมัยก่อนอมไม่มีเครื่องไว้ลงนะ เดี๋ยวนี้มีเครื่องไปลงที่สนามบินใกล้ๆหลายพื้นที่ด้วยแล้วเขาก็แบบว่าประชูเป็นเมืองเมืองท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกันใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้มีคนพูดถึงเยอะเหมือนกันเพราะว่าภาคใต้เองเขามีมนต์เสน่ห์ของเขาอะนะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าถนนภาคใต้อย่างที่บิวพงศบอกว่าทําไมยังมีสภาพสมบูรณ์นะอาจจะเป็นเพราะว่าถ้ามองในมุมของภาคกลางและภาคอีสานเส้นทาเส้นทางผ่าน ม, มันทําให้มีขบวนมีรถเนี่ย เยอะมากกว่าปกติซึ่งรถก็จะไปภาคเหนือด้วยรถก็จะไปออกภาค อ, อื่นๆนะฮะอาจจะต้องใช้เส้นทางกันเยอะแต่ว่าภาคใต้เนี่ยอย่างที่เราบอกก็คือคนในพื้นที่เองเนี่ยเขาก็ภูมิใจเรื่องของการอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะคะซึ่งในช่วงนี้ นะจริงๆช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนของเขานะช่วงมรสุมหน้าฝนนะแต่ก็ยังมีพื้นที่บางพื้นที่มีกิจกรรมประเพณีของเขาอยู่ที่เราสามารถที่จะไปร่วมทํากิจกรรมกันได้ไม่ใช่พีแค่การไปลงเล่นน้าเท่านั้นแต่ว่าในภาคเหนือเองตอนนี้ก็เริ่มที่จะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเป็นไฮซีซันของเขานะไฮซีซันใช่อย่างแม่ห้องสอนเองเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าโหชิมชอปชัเขาไปถึงนะถึงใช่ไหมฮะอ่าใช่แล้วไปกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนู้นเพราะว่าคนก็มีการคาดการณ์แล้วว่าในช่วงพฤศจิกายนนี้จะไปเที่ยวตรงนู้นแน่นอนปางองคะ แต่ว่าคนกรุงเทพเองบอกว่าโอ้โหคุณบอกว่าจะหนาวนะอมไม่เห็นหนาวเลยบางคนบอกโอ้โหไม่เห็นหนาวเลยหนาวจิตหนาวใจตั้งแต่กรมอุตูบอกว่าจะหนาวเนี่ยร้อนขึ้นทุกวันนะบาคนแซวอย่างนี้นะแ<ม>อ่ผมผมมองอย่างนี้ว่าส่วนหนึ่งหลายพื้นที่เองเนี่ยต้องบอกว่าอ่าเป็นก็เป็นการกระจายไรายได้ที่ถือว่าน่าสนใจแต่มันก็จะเสียโอกาสตรงนี้ว่าถ้าคนอยากจะเก็บ เนี่ยโปรโมชั่นตัวนี้ไว้ใช้เนี่ยมันใช้ไม่ได้ไงคุณมัถ้าถ้งสมมติว่านะผมผมผมผมไม่รู้นะว่ายังไงนะแต่ถ้าสมมติว่าในหนึ่งพันบาทเนี่ยคุณลงในพื้นที่ค่ะแล้วในที่เหลืออยู่ที่อื่นในใน G ีวอลเลตสองเนี่ยในจีวอลเลตสองที่คุณจะเติมเงินเข้าไปเนี่ยคุณสามารถไปใช้ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่จังหวัดของคุณเนี่ยคุณเคยลองไหมไม่ได้ไม่เคยลองยังไม่เคยใช่มเพราะเพราะพราะในตัวนี้จริงๆเนี่ยเขาจะใช้ในจังหวัดที่คุณจะคุณลงทะเบียนไว้ไง อเขาให้ลงทะเบียนไว้ที่บอกคุณจะลงทะเบียนกรุงเทพคุณก็ต้องใช้ชมกรุงเทพเท่านั้นคนไหนที่อยู่แต่ตาผมสังเกตนะว่าสมมุติว่ามีมีที่บ้านที่ครอบครัวที่หลายท่านเขาก็ลองลงทะเบียนคือเขาอยู่ที่อุบลเขาก็จะไปใช้ที่ศรีสะเกอคนศรีสะเกดก็มาใช้ที่อุบลอะไรย่างเงี้ยฮะคนยะโสธรก็ไปชที่อุบลอะไรย่างเงี้ยคนอุบลเป็นพื้นที่ที่แบบได้เดินทางไปเขาก็จะเดินทางระหว่างจังหวัดกัน เนี่ยผมเชื่อว่าหลายพื้นที่หลายจังหวัดก็จะเป็นแบบนี้แต่ส่วนหนึ่งที่เราจะเห็นได้ว่ากรุงเทพมหานครที่มีการจับจ่ายใช้สอยเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาอยู่ต่างภูมิลำเนาและก็มาทํางานที่นี่การเลือกใช้เลือกอพื้นที่ก็เลยต้องเลือกกรุงเทพสักหน่อยแต่ก็มีข่าวมานะคุณอืมี <ขะ S 2> การออกมาบอกว่าจับในส่วนของการเข้าไปแฮกระบบอาาช อ, อันนี้ก็ถือว่าเป็นเยาวชนนะเป็นฝีต้องบอกว่าฝีมือของทางหน่วยงานปรับปรามอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิก ที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบด้วยแต่ก็ว่าเ ส, เสดาความสามารถอก็ถือว่าเป็นคนจริงๆต้องบอกว่าแฮกเกอร์คนนี้เนี่ยรายนี้นะก็อายุแค่สิบเปีแล้วก็ทําอะไรแบบว่าเขาเรียกว่ามีความสามารถแต่ว่าสามารถใ ช, ใช้ใช้ทําในทางที่ผิด อ, ะอ่ะนะคะเอาละค่ะพูดถึงเรื่องราวที่เราพูดกันไปนะในรอบสัปดาห์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนกังวลแล้วก็แน่นอนว่ามีคนพูดถึงเยอะมากว่าเอ๊ะในการตัดสิ่งที่เราเรียกกันว่าสิทธิประโยชน์ นะคะสิทธิประโยชน์ของสหรัฐและไทย หรือที่เรียกกันว่า GSP นะสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเนี่ยนะคะมันทําให้เกิดอะไรขึ้นนะวันนี้จะมาคุยกันในเรื่องนี้กันนิดนึงใช่เพราะว่าจะมีกระแสข่าวที่ทางบ้านเราเองเนี่ยมีการประชุมเรื่องของการแบรนด์ใ่คที่เรียกว่าสาร3 ส, สารสาเคมีทางเกษตรใช่แล้วก็บอกว่าโอ้ทางมติเขาก็บอกว่าแบรนด์แน่นอนอและทางกลุ่มเกษตรกรกกบางส่วนก็บอกว่ายังไม่เห็นด้วยอนะ่ะเพราะว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ยังอยู่ในมืออยู่หรือบางทียังอยู่ในสต็อกอยู่และบางทีมันจะเป็นจะต้องใช้ หรือบางทีอาจจะต้องแบบบริหารจัดการแต่กระบวนการนี้จะเป็นอย่างไรพอออกมาเสร็จปุ๊บก็มีกระแสข่าวเดียวมาพอดีก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องเดียวกันมไหมไม่รู้เหมือนกันมันเป็นประเด็นที่มันมันเหมาะเจาะกันพอดีเลยนะฮะหลังจากที่อเมริกาเองเตรียมระงับสิทธิพิเศษ GSP ของไทยคุณผู้ฟังเขาบอกว่าจะมีผลบังคับใช้ในปีหน้าคุณผู้ฟังในช่วง25่สิบเมษายนคือเขาจะมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ของไทยที่มีอ่า ตลาดสหรัฐอเมริกาเป็นหลักอืใช่แล้วนะคะพูดได้ง่ายว่าจะมุ่งเน้นในสิ่งที่สหรัฐเนี่ย นำเข้าของไทยเป็นหลักในสินค้าเหล่านั้นนะคะสื่อต่างประเทศค่ะรายงานว่ากรณีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะคะได้ลงนามระ ง, งับการให้สิทธิพิเศษทางภารรษีศุลกาการเป็นการทั่วไปหรือ GSP ให้กับประเทศไทยเนื่องจากว่ารัฐบาลไทยเน่ประสบความล้มเหลวในการยกระดับสิทธิแรงงานให้เทียบเท่ากับมาตรฐานโลกนะคะอย่างเช่นการปกป้องเสรีภาพในการสมาคมและการจะจาต่อรองโดยการระ ง, งับสิทธิดังกล่าวนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้นะคะ25เมษายนปี2 0 5 9 63ค่ะมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ของไทยที่มีสหรัฐเป็นตลาดส่งออกที่สําคัญนะคะยังก็ตามแล้วค่ะสินค้าจากประเทศไทยนั้นมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยนะในการที่จะนําเข้าไปยังสารัฐนะคะนอกจากนี้ค่ะถแถลงการยัระบุว่าสารัฐจะเพิกถอนสิทธิ GSP ของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลทั้งหมดของไทยด้วยเพราะอะไรคะปัญหาด้านสิทธิแรงงานที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานในสายกรรมอาหารทะเลและการเดินเรือทั้งนี้นะคะการตัดสิทธิ GSP ดังกล่าวนี้ไม่ได้ตัดสิทธิ ค่ะ การส่งออกภายใต้ GSP ทั้งหมดนะคะแต่จะเป็นการตัดสิทธิ์เพียงแค่1ใน3 1ใน3นี้นะคะคุณผู้ฟังคะก็คือ1ในกว่า 3,500 รายการซึ่งในปี2561ค่ะไทยได้สิทธิ์ในการส่งออกไปยังสารัฐเนี่ยมูลค่าประมาณ 3,200 ล้านเหรียญสารัฐจากมูลค่าที่ได้รับสิทธิ์การส่งออกทั้งหมด 4,800 ล้านเหรียญสารัฐนะคะหรือคิดเป็นการใช้สิทธิ์6กสิบหกเเซสมมติให้สินค้าไทยในกลุ่มที่ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยต้องเสียภาษีนําเข้าในอัตตราปกิ ภาษีนำเข้าเนี่ยเสียเท่าไหรประมาณ 4- ีเจากเดิมที่เราไม่ต้องเสียภาษีนําเข้าเลยค่ ะ, ะมาดูมุมในส่วนของท่านรองนายกรัฐมนตรีและก ร, รัรมาธิการกระทรวงพาณิชย์นะฮะนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์ท่านบอกว่าหลังจากที่ประชุมคอรมเศ ร, รษฐกิจแล้ววาระเร่งด่วนก็ว่าที่ประชุมคอรมเศ ร, รษฐกิจปีหน้าอาท่านก็เห็นว่ามีเห็นพร้อมต้องการว่าไทยเนี่ยยังสามารถส่งออกไปที่อเมริกาได้ภายใต้การถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีสุรากรไปการทั่วไปค่ะเพียงแต่ก่อให้เกิดปัญหาอา ต้องก่อให้เกิดภาระภาระภนะาษีประมาณ 1,500 ถึงพั0ล้านบาทต่อปีอเสียนะซึ่งจะมีผลในปีหน้า อ, อ, อันนี้คือคุณส่งสินค้าไปปกติเราไม่เสียแต่ถ้าเกิดว่าถูกจัด GSP ปุ๊บเนี่ยปีหน้าเราจะเริ่มละคือส่งสินค้าด้วยและเสียภาษีด้วยพูดง่ายๆว่าไม่คุ้มแน่นอน คืออาจจะต้องมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะฮะเยอ<ช>รก็ตามยังมีช่องว่างนะฮะช่องทางในการเจราจากับสหรัฐเพื่อขอทบทวนในเรื่องนี้โดยก่อนหน้านี้ป ร, าาประสานไปยังเอกอัคราชทูตไทยประจํากรุงวอร์ชิงตันเพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าอเมริกาและคาดว่าจะมีคําตอบกลับมาดําเนินการอย่างไรเร็วๆนี้นะฮะรอติดตามส่วนทางออกในระยะยาวกระทรวงพาณิชย์เองก็เตรียมล่วงหน้านะฮ ะ, ะเพื่อที่จะวางกลไกคณะกรรมการร่วมกับภาครัฐเอกชนด้านพาณิชย์ เพื่อบุกตลาดต่าง ๆ, ๆทั่วโลกด้วยนะฮะ<ช>แล้วคือตอนนี้มีประเด็นของทางสารัะและ<ช>้วก็ต้องมองตลาดอื่น เพื่อที่จะขยายสินค้าเพื่อ น, นําการส่งออกอด้วยพูดถึงการมองตลาดอื่นบ้างนะคะในความคิดนะของผู้ตรวจราชาการกระทรวงพาณิชย์นะคะรักษ า, าการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคุณสมเด็จสุสมบูรณ์นะคะบอกว่ามาตรการดังกล่าวที่สหรัฐเนี่ยประกาศตัดสินนี่นะคะตอนนี้เนี่ยยังไม่น่าส่งผลกระทบกับการส่งออกสินค้าของไทยนะตอนนี้เพราะว่าเรามีการาวางแผนในการส่งสินค้าไปที่สหรัฐแล้วตรงนี้ไม่กระทบแน่นอนแต่ว่าในอนาคตเองนะคะก็มีการเตรียมที่จะเชิญผู้ประกอบการ มาทราบถึงสถานการณ์การประเมินผลกระทบถ้าถูกเพิกถอน จริงจงนะคะโดยแนะนำเลยค่ะอย่างที่ควิทยพงศ์บอกก็คือต้องหาตลาดใหม่ทดแทนโดยเฉพาะตลาดอื่นๆซึ่งมีแนวโน้มเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะเช่นรัสเซียยุโรปตะวันออก America, อเมริกาใต้ตะวันออกกลางตลอดจนการใช้ประโยชน์จากประเทศที่ไทยนั้นมีความตกลงการค้าเสรี FTA 13กรอบความตกลงจากอาเซียนนะคะจีนญี่ปุ่นอินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์ชิลีและเปรูซึ่งผู้ประกอบการสามารถที่จะนําเข้าวัตถุดิบแล้วก็สามารถส่งออกสินค้าโดย สิทธิพิเศษจากภาษีได้ทางข้อตกลง FTA ค่ะรวมถึงสามารถที่จะขยายการลงทุนไปยังประเทศที่ยังคงได้รับสิทธิ GSP ของสหรัฐโ ด, ดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็คือกัมพูชาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีมากกว่าไทยค่ะครับผมแม้จะมองว่าในเรื่องนี้อาจจะเป็นอีกหลายเดือนประมาณสัก56เดือนแต่ว่ า, าส่วนหนึ่งนะนะฮะหเดือนนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นการกําหนด ในเรื่องของตลาดอนาคตด้วยชเช่นเดียวกันนะฮะก็คงจะต้องหานะวัตรกรรมเทคโนโลยีมาปรับปรุงนะครับมาเติมเข้าไปแล้วก็ปรับปรุงสินค้าศึกษาทําวิจัยพัฒนาให้มีคุณภาพสม่ำเสมอแข่งขันกับด้านของราคาแล้วก็รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันพูดง่ายว่าต้องแข่งกับคู่แข่ง ต, ต่างประเทศให้ได้ถ้าเรา<ม>จะไปจับตลาดอื่นๆที่คุณจะไปหาที่อื่นนอกจากสารัฐนะคะไปกันต่อนะฮะอีกเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะเรื่องของบุรี่กันบ้างเราจะเห็นได้ว่ามี แล้วมีกฎหมายนะต้องบอกเลยเป็นกฎหมายออกมาบอกว่าถ้าจําได้จริงๆเนี่ยบุหรี่สมัยก่อนจะมาจะเป็นซองแล้วก็มีชื่อมีแค่ชื่อมีมีแค่ชื่อสินค้ามีคําเตือนนิดหน่อยหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีคําเตือนที่ใหญ่ขึ้นหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของรูปภาพภาพประกอบภาพประกอบที่เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง เขาบอกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาอีกคุณนัญตยาใช่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยเขาบอกงี้ปิยวงมู้ฟังเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะที่มันมีภาพประกอบเนี่ยนะคะในซองบุหรี่ใหม่ซึ่งภาพเนี่ยใหญ่มากแลยท่านบอกว่าจะช่วยอะไรได้หรอรนะคะมันจะมีผลจริงหรือมันจะทําให้คนไม่อยากสูบบุหรี่จริงหรือนะคะล่าสุดค่ะก็มีผลการสํารวจนะคะแพทย์บอกว่าซองบุหรี่แบบเรียบตัวใหม่นั้นได้ผลจริงเพราะว่าไปสํารวจปุ๊บเนี่ยเยาวชนบอกว่าเจอคําเตือนที่ชัดเจนขึ้นเห็นภาพแล้วไม่กล้ายหยิบมาสู ะะสามารถที่จะช่วยลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่ได้ค่ะครับผมหลังจากที่ไทยเองมีบังคับใช้กฎหมายพ ร, รบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ป, ปี60ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ซองบุหรี่เมืองไทยจะต้องเป็นซองบุหรี่แบบเรียบน่ะแบบเรียบยังไงมันต้องไปดูกันเพราะมีบังคับใช้ไปแล้ว10กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้ไทยเป็น ประเทศแรกในทวีปเอเชีย e ที่มีมาตรการดังกล่าวบังคับใช้กับซองบริทุกี่หอ้อค่ะเพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดและยังเป็นประเทศที่11ของโลกนะครับที่บังคับใช้กฎหมายนี้คือมาตรการดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามกรอบอนุสัญญาไว้ด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกมูฟังคือไม่ใช่ว่าเราคิดมาเองนะไมันเป็นกรอบข้อตกลงเขาแนะนําให้ประเทศสมาชิกร่วมการปฏิบัติและไทยเองก็ไปอยู่ในสมาชิกนี้เหตุผลสําคัญของการการมาใช้กบังคับใช้กฎหมายนี้ก็คือบริษัททู ทุบริษัทเนี่ยที่มีบุรีออกมาเนี่ย จะต้องเป็นแบบเรียบเหมือนกันทั้งหมด m, เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการออกแบบซองบุหรี่ที่มีสีสันบางทีก็เป็นสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินคือมันมีหลายสีนะเขาเป็นซองเออคุณเคยเห็นใช่ไหมต่างประเทศเขาจะมีซองแบบสวยๆอะไรเงี้ยนะครั ม, มันก็ดึงดูดให้หยิบขึ้นมาอะไรอย่างนี้ลักษณะมวลอีกก็จะมีความแตกต่า ง, างกันไปนะฮะก็ทําให้อ่าหรือใช้เป็นพื้นที่ของการโฆษณาเพื่อให้ทําให้เห็นภาพว่าบุหรี่แต่ยี่ห้อมีความปลอดภัยอันตรายน้อยอันนี้นะฮะอีกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้มีภาพคําเตือนถึง พิษภัยบุรี่ที่ชัดเจนมากขึ้นกว่ายี่ห้อของบุหรี่อีกพูดง่ายๆว่าทำซองเรียบและมีภาพประกอบคําเตือนนะคะทางด้านของศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัยคงสกุลนะคะเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพะการควบคุมยาสูบนะคะก็เปิดเผยผลสํารวจความคิดเห็นเยาวชนต่อซองบุหรี่แบบเรียบกลุ่มนักสูบหน้าหมา้หรือกลุ่มเยาวชนที่เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาแล้วก็นักศึกษานะคะอายุ15ถึง24ปี 1,239 คนบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ไม่เคย สุบรีมาก่อนเป็นกลุ่มที่ตอบสนองต่อภาพคำเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่แบบเรียบมากที่สุดโดยพบว่ามีความมั่นใจไม่กล้าสูบบุหรี่เพิ่มถึง13เท่านะคะยังไม่เคยสูบเลยแต่พอเห็นภาพปุ๊บเนี่ยโห จ้อยเล้อนะมันมีภาพของมะเร็งในช่องปากอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แบบมีมีแบบพาตาตาอะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็ฟังในภาพของเข า, านะคะส่วนกลุ่มวัยรุ่นที่เคยสูบบุหรี่มาก่อนก็พบว่ามีความมั่นใจที่จะไม่กลับไปสูบบุหรี่เพิ่มเกือบ4เท่าและซองบุหรี่แบบเรียบนั้นส่งผลให้วัยรุ่นประมาณ2ในสไม่อยากซื้อบุหรี่มากกว่าซองแบบเดิมและวัยรุ่นประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเห็นอัตราจากบุหรี่มากกว่าซองแบบเดิมแบบนี้นะคะเขาบอกว่าผลการศึกษาเนี่ยทำให้มั่นใจได้นะคะว่ามาตรการของซองบุหรี่แบบเรียบ ไปอีมาตรการหนึ่งนะคะที่ต้องมาคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังจะส่งเสริมมาตรการอื่นๆในการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ของประเทศไทยเช่นห้ามโฆษณาสื่อสารการตลาดและห้ามขายบุหรี่แบบขายแยกมวนค่ะอืมนะคะอ่ะขายแยกมวล น, นี่ก็มีอยู่นะก็สมัยก่อนเนี่ยผมจําได้เด็กๆเกนี่ยยังเคยเห็นนะขายแยกมวนคือดิฉันคิดอย่างนี้ ไ, ไ, าไ<ง>่ายเป็นซองในเมื่อหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันมีเขาเรียกว่า ซองบุหรี่เนี่ยมันมีผลกับการไม่สูบเพราะภาพใช่มครัแล้วถ้าเกิดว่าสมมุตินะอันนี้ไม่ได้ชี้โพรงให้กระรอกแนอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาทําแบบขายต่างหากเป็นที่ใสบุหรี่ต่างหากที่มีเกี่ยวกับซองมี ม, งมีมีจริงๆรจริงจงก็คือเขาซื้อ ม, มาแล้วเขาาก็เปลี่ยนแบบซ อ, อ, องออกแล้วก็ใช้ใชเป็นกล่องสมัยก่อนเขาเรียกว่ากล่องเป็นแบบกล่องเหล็กอ่ะคุณถ้าคุณจำไม่ผิดอ่ะมันจะมีกล่องเหล็กนะะและข้างในก็จะใช้ในการบรรจุ น่านบุรีอันนี้ก็ยังเป็นอุปสรรคนึงนะดิฉันมองว่าอย่างนั้นนะแต่ก็ทางเนกภาคราฐเองก็หาวิธีการแม้จะมีการเพิ่มภาษีทําให้บุหรี่เองมีการกระโดดขึ้นผมจำได้สมัยก่อน30บาทเพิ่มมาเป็น45 50ิบห้แล้วหกสิเลยนะราคาขยาบขึ้นไปก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เป็นเพื่อกดดันอย่างนี้คือเพื่อที่จะเร่งรงเรื่องของการ งดลดเลิกสูบบุหรี่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอามาดูเรื่องราวของประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจกับชีวิตความเป็นอยู่อของเรากันบ้างคุณเห็นไหมว่าล่าสุดคุณผู้ฟังน่าจะเห็นกันอยู่เขามีการพูดถึงกันว่าเนี่ยตอนนี้มันน่ากังวลมากเลยนะเพราะว่าในนิคมอุตสาหกรรมหลายที่น ะ, ะมามาตาพุธมาบต่างๆเนี่ยนะคะคุณหยาพงษ์ผู้ฟังเขามีการเลิกจ้าง คนก็เลยออกมาคุยกันว่าเดียร์เนียเรื่องของอัตราการว่างงานเนี่ยมันน่าเป็นห่วงนะแต่ว่าในมุมหนึ่งนะคะของกระทรวงแรงงานเองเนี่ยเขาได้ออกมาชี้แจงสถานการณ์การว่างงานในปีนี้นะคะบอกว่าไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่ามีอัตราในการว่างงาน3 7 7จุดเแสนคนแต่ว่าจํานวนนี้สามแสนกว่าคนเกือบสี่แสนเนี่ยนะคะลดลงจากปีก่อนนะลดลง3 4มจุดหมื่นคนค่ะ เรื่องราวนี้นะฮะท่านผู้ตรวจราชาการตรวจกระทรวงผู้ตรวจกระทรวงแรงงานในฐถ้าโฆกกระทรวงแรงงานนะครับคุณอภิญญาสุจิตรานันออกมาเปิดเผยบอกไปนะฮะว่าสํนานักงานสิติแห่งชาติเขาบอกว่ามีจํานวนผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน 38.42 ล้ า, านคนนะ นะใช่ฮะจากคนประชากรทั้งหมดอยู70 000 000, อ่70กว่าล้านเกือบครึ่งต่อครึ่งนะฮะเป็นวัยทำงานเท่านี้เป็นวัยทำงานโดยมีผู้มีงานทํา 37.78 ล้านคนซึ่งเป็นแรงงานที่มีที่ทํางานทั้งในภาคเกษตรกรรมภาคการผลิตภาคบริการการค้าส่วนผู้วิา่งงานอยู่ที่ประมาณสัก 370,000 กว่าคนหรือร้อยละหนึ่งของกําลังแรงงานภาพรวมทั้งหมดถ้ามองภาพรวมทั้งหมดมก็ดูอาจจะไม่เยอะแต่ถ้าดูตัวเลขมันก็อยูยงอยู่สูงอยู่มันถึง1เลยนะเรามองอย่างนี้นะแต่ถ้าไปเทียบกับปีที่แล้วละฮะเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลา เดียวกันของปีก่อนในช่วงไตรมาสที่2ของปี61เขาบอกว่าจำนวนนี้เนี่ยดูลดลงน ะ, ะเออพราะปีที่แล้วเนี่ยดูดูมากกว่านี้คื อ, อลดลงถึง3 0 0 0ส 3, 000, 4, 000 น, น้ามม่คนทให้อัตราว่างงานในภาพรวมปัจจุบันก็ถือว่ายังคงที่ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วและมีอัตราการว่างงานอยู่ที่ 1.1 คือลบมันสนงหนึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการว่างงานไม่รุนแรงและไม่เป็นที่น่ากังวลท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหม่อมราชวงศ์จตุบงคลโสนากุลท่านสั่งการเลยนะท่านให้กระทรวงแรงงานหาแนวทางช่วยเหลือผู้ว่างงานในหลายช่องทาง โดยร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทําฐานข้อมูลความต้องการแรงงานในอนาคตเลยนะฮะเตรียมความพร้อมความต้องการแรงงานให้ตรงกับตลาดแรงงานจัดทําการเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้ตรงกับพื้นที่นะครับแล้วก็มีการพัฒนาจัดตั้งสถาบันอบร ม, มนะครับซึ่งตอนนี้ล่าสุดเนี่ยท่านรัฐมนตรีกระทรวงอ่ารัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยท่านออกมาพูดถึงนะแล้วก็เรียกประชุมนะกระทรวงอ่าการอุดมนะอวนะก็เรียกประชุมทุออกมหาวิทยาลัยเลยว่าในอะนาคตเนี่ย ต้องจับมือกับชามประกอบการนะภาคอุตสาหกรรมน ะ, ะจัดทำหลักสูตรที่มันตอบโจทย์กับภาคอุตสาหกรรมคือ 1. คืออัพสกิลด้วยและ 2. คือดึงคนที่ว่างงานเข้ามาอยู่ในแรงภาคาแรงงานให้ได้ซึ่งท่านก็บอกว่าในกลุ่มราชมงคลเองเนี่ยนะคะก็เน้นในเรื่องของการผลิตเพื่อ อุตสาหกรรมในด้านของเศรษฐกิจพิเศษนะคะในสกิลตรงนี้ซึ่งมัมนมีความเรียกว่ามีความเชี่ยวชาญมากกว่าที่จะทําออกมาป้อนสู่ตลาดแรงงานได้เลยนะคะในขณะที่ยังมีการเตรียมการประสานเอกชนนะคะเตรียมความพร้อมแรงงานรับไม่กับโปรเจกต์ของรัฐบาลด้วยนะคะเชื่อมต่อ3สนามบินนะคะโครงการรถไฟฟ้าในอนาคตนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดช่องทางการสมัครงานให้ประชาชนนะคะกู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่แล้วก็สนใจที่อยากจะลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามที่ศูนย์ที่นี่มีงาน ทำสมาคมจ็อบเซ็นเตอร์และจ็อบเรดดี้เซ็นเตอร์นะคะซึ่งตั้งขึ้นเพื่อหางานให้กับประชาชนทั่วไปแล้วก็นักศึกษาจบใหม่พร้อมกับให้คําแนะนําพัฒนาทักษะฝีมือในแนวอาชีพจับคู่ตําแหน่งงานหรือว่าแมทชิ่งค่ะปัจจุบันนี้นะคะเปิดให้บริการทั่วประเทศแล้วนะคะนอกจากนี้ยังสามารถหางานผ่านทางช่องทางไลน์จ็อบส์จ็อบแฝดรวมถึงตู้งานจ็อบบ็อกซ์นะคะซึ่งกระจายอยู่ทุกจุดทั่วประเทศและสามารถติดต่อได้ที่สํงงานักงานจัดหา ง, งานจังหวัดทุกจังหวัดค่ะคือข้อมูลส่วนหนึ่งก็จะมีสระ ประกาศสังคมคะนะครับที่จะมีฐานข้อมูลและก็สํานากาจัดการหางานทุกจังหวัดเนี่ยคอยเป็นซัพพอร์ตฐานข้อมูลกันไว้การเข้าในระบบเองเนี่ยก็จะไม่เห็นว่าสถติแรงงานในบ้านเราเป็นอย่างไรกันนะฮ ะ, ะไปปิดท้ายกันในวันนี้นะฮะข่าวดังพอสมควรแล้วก็ไวรัลพอสมควรนะฮ ะ, ะกับการแชร์ ค, ค, คลิปวิดีโอนะฮะภาพนี้จะเกิดขึ้น บ่อยครั้ง<ช>นะครับถ้าเราไม่ได้เตรียมความพร้อมพี่ดีหรือเต้นตกใจหรือบางครั้งเราเจอเราเ้าไปในพื้นที่ของสัตว์ป่าแล้วแล้วปฏิบัติตัวไม่ถูกนะฮะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เองออกมาแนะนำนักท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมฮะตอนนี้ใช่แล้วค่ะ10ข้อที่นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติ คือตอนนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเที่ยวในอย่างเขาใหญ่นะไปเจอโขลงช้างออกมาเดินตามถนนนะคะย้ําเลยว่าห้ามจอดรถถ่ายรูปเด็ดขาดเพราะอาจได้รับอันตรายได้ค่ะครับผมตอนนี้เองก็มีการแชร์คลิปนะฮะพีดื้อพีดื้อนี้เป็นสัตว์ขนาดใหญ่คือช้างช้างแล้วก็เป็นเป็นอายุไม่นอนเลยนะเบียร์พงคือพี่ดื้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นสัตว์ที่อยู่ในความทาความรู้จักของเจ้าหน้าที่ด้วยนะใช่ค่ะโอ้ต้องจาได้ทุกปีแล้วบอกว่า มีเขาตัวใหญ่นะ<ม>ดูจากคลิปวิดีโอแล้วเนี่ยนะฮะก็อะบอกว่าเป็นภาพทุกคนเห็นล้ตอนนี้ล่าสุดนะฮะแฟนเพจเฟซบ o ๊กของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นี่เขาใช้สื่อโซเชียลนะฮะมาส่งกระจายข้อมูลให้ถึงกลุ่มปเป้าหมายมากยิ่งขึ้นโพสรูปภาพและก็ข้อความแนะนําตัวของพี่ดื้อให้รู้จักด้วยนะอ่าโครน่ารักเลยคุณรวมไปถึงข้อควรปฏิบัติ10ข้อในกรณีเจอช้างป่าไม่เฉพาะพี่ดื้อเท่านั้นเจอช้างป่าอื่นๆในระยะใกล้ชิดขับรถมาเอา้าจ้าเอ๋กัน จะทำอย่างไรเพื่อให้ปลอดภัยโดยระบุอย่างนี้สวัสดีครับผมชื่อดือ้ออายุประมาณ35ปีอันนี้ก็ไม่น้อยแล้วน ะ, ะไม่น้อยแล้วคุณโอ้โหนะปกติแล้วนะผมจะออกมาทักไทยนะักท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวเป็นประต้นไปแล้วผมก็ชอบเล่นกับรถคันเล็กๆนะฮะเขารู้สึกว่าน่าจะที่เราวิ่งอยู่นี่คือรถคันเล็กนะค ะ, ะตั้งแต่ผมยังวัยรุ่นแล้วแต่ ผมไม่เคยทำรายนักท่องเที่ยวนะเออค่ อ, อ, อยากจะมาเล่นอยากจะมาแบบเหมือนของเล่นเขาเออเห็นวิ่งไปวิ่งมาเอาอย่างนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาเลยบอกว่าอยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยปฏิบัติตัวเมื่อพี่พ เจอน้องๆช้างป่าควรปฏิบัติดังนี้อ้าวคุณนิตยาเขาว่ายังไงบ้างอย่างแรกเลยค่ะเมื่อคุณวิ่งไปปุ๊บคุณเจอเอามีช้างออกมาทํำยังไงนะคะหยุดรถให้ห่างจากช้าง30เมตรและถอยรถรักษาระยะเมื่อช้างเริ่มเข้าใกล้คุณคือไม่ใช่แบบเห็นปุ๊บถอยเร็วนะไม่ไม่ค่อยๆค่อยๆถอยอารมณ์เหมือนคุณจ้องตางูอ่ะนะแล้วก็ค่อยค่อยถอะไรอย่างเงี้นะคะ2ค่ะติดเครื่องยนต์ไว้เสมอค่ะแล้วก็3ก็คือเมื่อพบช้างในเวลากลางคืนเปิดไฟเสมอนะคะห้ามเปิดไฟกับพลิป ม, มันจะยิ่งเป็นแบบจุดเด่นะะนะคะไม่จอดรถและเข้าใกล้ช้างเด็ดขาดบางคนจอดปุ๊บขอถ่ายรูปก่อนอยุค ข, ของการเซลฟี่ต้องมาอันนี้ไม่ได้นะคะราสาสัมผัสของช้างนั้นดีที่สุดคือหูจมูกและตานะคะถ้าคุณดับเครื่องยนต์ช้างจะเข้าใกล้เพื่อใช้ประสาสัมผัสอย่างอื่น อ่าไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์แล้วงามเบียบพง ก, ก็จะเดินเข้าใกล้เพื่อว่ามันเป็นอะไรก็คือไปการดมดูการสัมผัสนะคะเมื่อรถคันหน้าถอยหลังอ่าปรากฏว่ารถคันหน้าเนี่ยเจอช้างก่อนรถคันถัดไปควรทราบและคุณจะต้องเคลื่อนตา ม, มเพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีฉุกเฉินคุณต้องรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่นอนด้านหน้านะคะถ้าหากตกอยู่ในวงล้อมของช้างให้เคลื่อนรถไปในทางที่มีช้างอยู่น้อยที่สุด นะคะแล้วก็ไม่จอดรถดูช้างอย่าใช้แต่รถหรือส่งเสียงดังจะยิ่งตกใจกว่าเดิมและงดใช้แฟลชถ่ายรูปเด็ดขาดนะคะข้อควรปฏิบัติที่สำคัญก็คือห้ามจอดรถเพื่อถ่ายรูปเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยวเองและก็ก่อให้เกิดความเสียหายกับรถยนต์ของนักท่องเที่ยวด้วยค่ะครับผมนะฮ ะ, ะ, ฮะจะเจอช้างฉัดปาชนิดอื่นก็ตามนะฮะ่เราต้องมระวังเพราะว่าจะไม่เหมือนสัตว์บ้านหเหมือนช้างบ้านที่ เราสามารถจะเข้าไปใกล้อะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นช้างป่านะครับเขาต้อง็จะมีเป็นแบบว่าเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นอ่ะเขาก็จะชิ่นพื้นที่ทําคือเราเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่เขาเป็นยังไอก็เป็นบรรยากาศที่เราจะได้ไปสัมผัสไปเรียนรู้นะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้ไปเจอแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าเรียนรู้การปรับตัวให้ใช้ชีวิต ว่าเขาใช้ยังไงก็เรียนรู้วิธีการเราก็ได้ตื่นเต้นได้เห็นบรรยากาศได้เห็นธรรมชาติของเขาในทุกๆปีแต่ว่าต้องรู้วิธีการจะอยู่กับเขาให้ได้ไแต่สิ่งหนึ่งที่ตามมานะครับในเคสกรณีนี้คื อ, อก็ต้องไปดูต่อว่าในเรื่องของการประกันอุบัติเหตุอของรถเนี่ยะจะครอบคลุมมากน้อยขนาดไหนคุณทำประกันอะไรไว้มีหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจะต้องมีการศึกษาหรือก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมเก็บรายละเอียดกันไว้ด้วยใช่แล้วก็ถือว่า ที่อยู่ในภาพภาพที่มีการคลิปแชร์ก็ถือว่าได้รับความเสียหายพอสมควรนะโอ้โหนะเขาไปขึ้นครอบรถแล้วก็ไม่ทราบไงก็สัตว์นช้า่งนะคุณสงสัยสเขาก็สนุกของเขา อ, ะอ่ะอ่ะเขาก็มาทักทายนักท่องเที่ยวนั่นเองนะฮะเอานี็คือหมด ทั้งหมดของกรอบข่าวเช้าวันศุกร์ในวันนี้นะฮะใช่แล้วค่ะครั้งหน้าเจอกันใหม่นะคะในช่วงวงเช้าของวันศุกร์นะคะทาง fm 89.5 วิทยุราชมงคลธญัญบุรีค่ะวันนี้ดิฉันอาทิตยาประกทานางและคุณเบียรพง์เคนทวายลากันไปก่อนขอบคุณปรสการติดตามรับฟังด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ